ตั้งใจฟังครับและกระเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ในขณะนี้ก็เวลาสิบสามนาฬิกากับห้านาที ที่พวกเราได้เปิดอบรมกันมาเป็นระยะเวลาสี่วันผ่านมาแล้ววันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องการปฏิบัติธรรมะเป็นการทบทวนควมรู้ของพวกเราให้พวกเรา ได้เข้าใจและจดจำนําเอาไปประพฤติปฏิบัติกับชีวิตของเราเพราะทุกคนต้องการความไม่มีทุกข์แม้จะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ตามเป็นคลาวาสญาติโยมก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เลนก็ตามใครๆก็ตามจะเป็นชนชาติไหน ภาสาใดถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามต้องการความไม่มีทุกข์ทังนั้นแต่ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตรงนั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเราฝังให้เป็นคําว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตหมายถึงสัตว์มนุษย์ คือการทุกคนแม่สัตว์เดลสายก็ไม่ต้องการทุกเช่นเดียวกันคำว่าสัตว์ทั้งหลายคือกันกับแต่ท้าโคตไม่มีใครต้องการเลยความทุกขความยากจนความเวลวร้ายเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่านั้นเองจะเป็นใครๆก็ตามเหมือนกันทั้งนั้นที่มีชีวิต จิตใจอยู่ไม่ต้องการข่มทุกจงอาสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ทหโสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตเหมือนกันให้ว่าผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์องค์เนรให้ว่าชนสัตว์ไหนภาษาใดเหมือนกันมีกายมีใจให้ว่ามีลมหายใจทุกคน แล้ก็มีการนึกการคิดทุกคนท่านว่าอย่างนั้นบริสัททั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อพระองค์รู้เห็นเข้าใจจิตใจของคนทุกคนเหมือนกันว่าจิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจขลองใส คำว่าจิตใจบริสุทธิ์ก็จิตใจปกตินั่นเอง จ, จิตใจพ้องใสก็หมายถึงจิตใจไม่เศร้าหมอง จ, จิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี่ว่าจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างนั่นเนี่ยคือจิตใจของพระพุทธเจ้า แต่เราไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเราเข้าใจกันว่าเจ้าชายสิทธัตถกุ ม, มารเกิดในประเทศอินเดียนน้นเราเข้าใจกันอันนั้นแต่ความจริงอันนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่เป็นพระพุทธเจ้าทางสมมุติว่าเนื้อหนังแต่จิตใจนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าจึงมีสมมุติบัญญัต มีปร ม, มัดบัญญัติมีอัธบติบัญญัติมีอริยบัญญัติสมมุติบัญญัติก็สมมุติขึ้นมาเส้นต้นไม้ภูเขาหงวยหนองของบึงหรือเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ปรสบานตำรวจทหารเหล่านี้เป็นสมมุติขึ้นมาแต่เป็นสมมุติแล้วกับบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมาย ให้เรารู้จักเอาไว้ว่าสมมุติขึ้นมาแต่เป็นปัญญัต้ น, นนี้ว่าสมมุติแล้วกับปัญญัติขึ้นมาอัฏฐะปัญญัติ์อัฏฐะคือลึกลับซับซ้อนยากบุคคลที่จะรู้ท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากพูดถึงอัฏฐะปัญญัตินี่ก็เรี๋ยว่าเราจะพูดเป็นมักแปดก็ได้หรือจะเป็นอริยะบุคคลก็ได้เดี๋ยวว่าอัฏฐะ ได้แก่มกักแปดธนว่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสาติสัมมาสมาธิเราเข้าใจกันอย่างนั้นอีกบทนึงว่สีคู่แปดบรุษเนี่ยธนว่าอย่างนั้นเอสสะภะคะวะโตสาวกสสังโฆ นั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเราสวดกันธรรมเช้าธรรมเย็นอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขินเนยโยอันสลีกะดิโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกาสัสวดกันเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลแล้วเป็นเมื่อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยท่านว่าอย่างไรบันนี้ เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสต่อพระวรกะลิตรว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายชีวอเราอยู่หรือจับนิ้วเท้าในมือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเราเข้าใจกันว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าเจ้าสายสิทธะกุมารโ น, นนเป็นอย่างนั้น ผมเองก็เช่นเดียวกันที่แรกเมื่อกำลังฝึกหัดกรรมฐานอยู่กับครูอาจารย์ครูอาจารย์ให้ไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนาพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่หัวใจของเราเข้าใจอย่างนั้นบางครัง้งบางคราวท่านว่าให้เห็น เป็นลูกแก้วหรือเป็นพระพุทธรูปลอยเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเราเข้าใจผิดอันนี้มันลึกเกินไปเราไม่เข้าใจเราจะไปเอาเจ้าไซต์สิท ธ, าธาัตถะกุมารอันพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเข้ามาอยู่ในหัวใจเราเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดจริงๆ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 เมื่อเราฟังไม่เป็นลราก็นึดเอาพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาไว้หัวใจของเราความจริงแล้วพระพุทธเจ้าธนว่าจิตใจของคนเหมือนกันมีจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสคือจิตใจปกตินั่นเองจิตใจบริสุทธิ์ตะคือจิตใจพองใสก็หมายถึงจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวจิตใจบริสุทธิ์นั่นแหละ เดีวยวจิตใจพ่องใสจิตใจว่องไวแบบนี้มันคิดเราต้องมีสติรู้เท่ารู้ทันคือการเห็นแจ้งคันเห็นแจ้งเราไปเห็นพระพุทธเจ้าวัอนอันนั้นมันมันเข้าใจลึกเกินไปเราไปติดสมมติคำพูดสักแสงเราต้องพยายามทำความเข้าใจในคำพูดให้มันได้ถ้า เราไม่เข้าใจในคําพูดอันนั้นการประพฤติปฏิบัติมันก็จะไม่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะวินัยของเรามีอยู่หากมีภิกษุภิกษณุณีอุบาสกอุบาสิกาประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินัยของเราตถาคตอยู่มัก คนนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ท่านสอนอย่างนั้นโลกนี้น่ะหมายถึงโลกบุคคลก็ได้หรือว่าโลกดินฟ้าอากาศก็ได้เพราะว่าโลกคือหมูสัตว์ท่านสอนนะ่ะหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่ก็คือดินฟ้าอากาศนี้เองก็คือคนสัตว์อันเนี้ยโลก และตัวบุคคลก็เป็นโลกสนิดหนึ่งถนนขั้วศอกงาวานาคือมีพร้อมแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างในท่านสอนอย่างนั้นจึงววาเราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติที่ตัวของเราการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวของเรานี่เองตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมะจิงว่ารูปธรรมนามธรรม ที่แรกนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเรารู้จักบ้างไหมเคยคิดถึงบ้างไหมรูปน้ํารูปได้แก่ร่างกายน้ำได้กิจจตใจรูปกับน้ำมันติดกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวลูน้ำเคลื่อนไหวขึ้นโดยวิธีใดก็ให้รู้เท่ารู้ทนันรู้จักกันรู้จักแค่เดี๋ยวรู้จักรูปรู้จั ก, จกน้ำ บัดนี้มันเคลื่อนไหวโดยวิธทยากรตามเดีว่ารูปเคลื่อนไหวเดี๋ยวรูปทำนามก็ทําไปด้วยกันเดีวยวรูปทำนามทำรูปโลกนามโลกรูปอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องเป็นโรคโรคสนิดนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอเซ็กล้างกายให้เป็นโรคสนิดนั้นโรคสนิดนี้บางทีหมอให้เก่ง ก็ตรวจสิทธ์ร่างกายไม่เข้าใจก็ให้ยากแก้ปวดยินไปพอทุเราบางทีหมอไม่เก่งถ้าหมอเก่งหมอดีหมอสลาดโรคอย่างนี้ไม่ได้รักษาไม่หายเพราะมันมีเนื้อร้ายต้องผ่าตัดเทิ้งเมื่อผ่าตัดทิ้งแล้วโรคนี้จะหายได้หมอเก่งหมอเข้าใจแล้วเราก็ต้องผ่าตัด เอาเนื้อร้ายนั้นออกเพราะเราไม่ต้องการพุกนั่นเองดังนั้นการศึกษาธรรมะหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านว่าเป็นของยากเนื้จากคบหาสมาคมกับสตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้จริงนั้นเป็นการหาได้ยากท่านว่าอย่างนั้นเมื่อคบหากับสตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้นั่นแหละเรารู้ท่านแล้ว แต่การฟังธรรมะของท่านก็เป็นการฟังได้โดยยากนี่ท่านสอนเอาไว้เราเคยได้ยินบ้างไหมพระพุทธเจ้าของเรานี่เจ้าสายสิทธัตถกุ ม, มารนี่ตัดสรุออกมาใหม่ๆเดินทางออกมาว่าจะประปรุษเอาพวกปัญจวคีทั้งห้ามาพบเอากับนักบวชคนหนึ่งนักบวชคนหนึ่ง นั้นชื่อว่าอุปการศีวกเดินมาเห็นพระพุทธเจ้าหน้าเคารพหน้านับถือเพราะว่ากิริยามารยาทดีก็ถามพระพุทธเจ้าท่านอยู่ตำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบนักบวชคนนั้นว่า เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราตัดสู้เองโดยชอบว่าอย่างนี้นักบวชคนนั้นก็เลยตอบพระองค์เลยนักบวชคนนั้นฟังธรรมกไม่เข้าใจคำพูดของพระองค์ก็เลยแลบเล่นสั้นศีิษะให้ทันทีเลยอันนี้แหละการครบหา สมาคมกัสตะบุตรบุคคลผู้ที่รู้ไปคบท่านแล้วก็ยังไม่รู้ทันอีกด้วยอุปการีวกคนนี้สแสวงหาพระพุทธเจ้าสแสวงหาผู้ที่รู้ธรรมะผู้ที่รู้โมฆะธรรมจริงๆเมื่อไปพบแล้วก็ยังไม่รู้จักอีกแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านฟังฟังธรรมะท่านผููท่านสอนก็ไม่เข้าใจอีกแล้วเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเอง เราไปยึดมั่นถือมั่นเรียกอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันคิดเราให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมะจึงปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้ เราเคยได้ยินบ้างไหมแต่ทุกคนผมว่าคงจะได้ยินได้ฟังไม่มากก็ น, น้อยแต่จะจดจำนั้นหรือไม่จดจำนั้นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้ากรดกลางดินตัดตะลุกกลางดินแสดงธรรมกลางดินนิพพานก็กลางดินท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะกันที่นี่ ก็อยู่กลางดินนอนกลางดินกินอาหารนั่งพื้นดินกันบางคนก็มีผ้าปูนั่งบางคนก็นั่งเสือ่อนั่งศาสต์กันบางคนบางคนก็นั่งสบายสบายนี่เรียกว่าอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งหวังทำงานอย่างสูง คือการปฏิบัติธรรมทางจิตใจดิเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างสูงอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้เดินก็ได้พระพุทธเจ้าทัานสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิรยิยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนเรียกว่า อิริยาบถทั้งสี่ท่านว่าให้มีสติรู้แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านสอนย้ำเข้าไปอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านว่าอย่างนั้นให้รู้รู้เพื่ออะไรให้รู้เพื่อให้รู้จักเรื่องรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโรกนามโรก โลกนันมีสองอย่างด้วยกันโลกทางจิตใจที่มันดีใจเสียใจดีใจก็เป็นโลกชนิดหนึ่งเขาว่าโลกโลภะเสียใจก็เป็นโลกชนิดหนึ่งเขาว่าโลกโทสะเกิดขึ้นเพราะเราหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจดีเองภาษาธรรมะเรียกว่าโมหะภาษาบ้านของเราว่าหลงตนลืมตัว หลงกายลืมใจเราไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างที่ผมเคยได้ศึกษาปรับครูอาจารย์มาให้แต่ น, นั่งหลับตาภาวนาพุทธโธหายใจเข้าคุดหายใจออกโทหรือว่าสัมมา阿ลหังนักหนึ่งสองสามพองยุบอาณาปานาสติโกาตาม ทำมาแล้วพอสมควรเรื่องเหล่านี้มาไปนั่งหลับตาเห็นคนเดินไปเดินมาก็หมองไม่เห็นค่าวหนึ่งมีคนไปทําไฟฟ้าแรงสูงเคลื่อนน้ําผมถามผมที่นี่เป็นสํานักวิปัสนาหรือท่านว่าอย่งางไรจะว่าวิปัสนาก็ได้จะว่าอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องสมมตุติวิปัสนาก็แปลว่า รู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมนั่นเองเคยถามท่านไปที่ไหนมาท่านคนนั้นก็เลยบอกว่าไปทำงานที่เครือน้าพมมาถามบัดนี้ท่านก็เลตตอบว่าไปทำงานที่เครื่อ น, น้าพมมาเคยทำนิพสนามาแล้วก็เห็นใต้ติดอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยเข้ามาแวะดูทันว่าอย่างนั้น ก็เลยถามคุณเคยได้ทำวิปัสนาบ้างไหมทํามาครับแล้วก็มีเพื่อนมากับท่านมีลูกน้องท่านมาก็เลยถามทาำยังไงคุณทําก่อนั่งขัดสมาธิแล้วก็หลับตาท่านไว้พัฒนาพุทโธหายใจเข้าหายใจออกไปเอาทําลองดูท่านก็เลยทําก่อนที่จะทํานั้นท่านมีมีปากกา กับมีแว่นตาเลีกวกระจกตาแล้วกันเลยเอาแว่นตาคุณออกดูกันไนหะเอาวางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ถอดปากกาที่ถงเสื้อของคุณออกมาวางไว้ที่ตรงนี้ท่านก็ถือออกถอดออกมาพอดีท่านนั่งหลับตาแล้วผมกันเลยจับเอาปากากากับแว่นตากระจกตาของท่านออกไปไว้ที่หลังไม่ให้ท่านเห็น ท่านก็นั่งภาวนาประมาณสักคู่หนึ่งแล้วผมก็เลยเอา้าคุณลืนตาได้แล้วสมควรแล้วท่านก็นลืนตาขึ้นมากระจุกตาท่านไปไหนแล้วก็หลากกาของท่านไปไหนไม่เห็นครับแล้วมันให้คุณหรือมันให้โทษคุณคนคนนั้นท่านมีปัญญาเพราะท่านได้ศึกษาเราเรียนมาเป็นโทษครับ อันคุณนั่งหลับตาภาวนาพุโทโธธรโมโม阿拉หังของยุกต่าง ต, ตามีสําหรับดูหูมีสําหรับฟังแต่ว่าตามันโกรธไม่เป็นนะคุณหูมันโกรธไม่เป็นนะคุณเลยพูดอย่างนี้ให้ท่านใจมันโกรธใช่ไหมตาคุณเห็นตามันรู้ไหมตามันไม่รู้ใจมันรู้ คุณฟังสมงพ่อพูดนี่หูฟังหูมันรู้ไหมใจมันรู้หูมันไม่รู้นี่เรื่องการปฏิบัติธรรมานั้นอยากอยู่ยังไงจินยังไงนอนดินเดินดิ น, ดนให้วัดทุกเม็ดห็นเม็ดทายอยู่ที่ไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมะแต่ให้เรารู้สึกตัวในขณะการเคลื่อนการไหวนั้น ท่สอนให้เรารู้ทุกดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกเท่านั้นไม่ให้สอนการทําการดูทําอะไรก็ตามดูอะไรก็ตามทํามาหลายสิบปีดูมาหลายสิบปีถ้าหากไม่เกิดปัญญาไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ว่า เลือกละเปลี่ยนแปลงได้ทันวันอันเกิดปัญญานั้นอยากเข้าใจว่าเกิดปัญญาเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกเป็นใครใครก็ตามแหละเราเข้าใจกันว่าพระอรหันต์นั้นต้องเกิดปัญญาแตกสารนับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลครบจบท้วนได้จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ หรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นมันมากเกินไปท่านว่าเรียนรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามเพียงให้มีปัญญาแก้ปัญหาเรื่องจิตใจของเหล่านี้เองมันนึกมันคิดให้รู้นี่เองท่านนี่ว่าโลกทางจิตทางใจอันนี้ที่ว่าลูกโล ก, โลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันเมื่อ ปฏิบัติมีสติหรือมีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในอริยบุตรย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่แหละจึงว่ารู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตาทุกขังการเคลื่อนการไหวแม้จะเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเป็นใครๆก็ตาม เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคนก็ตามเป็นคนยากคนจนเป็นคนลำ่ำคณรวยก็ตามมีการเคลื่อนการไหวเหมือนกันท่านจิงนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตาถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตาถาคตก็สัตว์มนุษย์นี่เองไม่ใช่สัตว์อิริยาบรู้จักการเคลื่อนการไหวมันเป็นทุกเลวดุกขังเพราะมาติดอยู่กับรูปอ น, นิจจัง นั่งนิ่งๆไม่ได้มันต้องมีการเคลื่อนการไหวพิษตาบ้างหายใจบ้างนึกคิดบ้างเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเรียวอานนิจังมันไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบัรสราไม่ได้รูปนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นจึงว่าเรื่องนี้ต้องปฏิบัติให้รู้จักจริงๆแต่ส่วนพัฒนาได้ดังคือพัฒนาจิตใจ ไม่ให้จิตใจมันโกรธมันโลภมันหลงนี่พัฒนาได้แต่ร่างกายในี่พัฒนาไม่ให้มันเท่ามันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายมันพัฒนาไม่ได้เมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมื่อจิตใจมันนึกคิดดีใจเสียใจเราต้องดูใจแต่จิตใจของเรานั้น มันไม่เป็นอะไรอันที่มันดีใจเสียใจนะันท่านว่ากิเลสท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นเมื่อรู้จักทุกขังอันนี้จังสมบูรณ์ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้จักสมมุติอันสมมุตินี่แหละคนมันติดคนมันติดท่านห่สมมุติดีสมมุติทั่วสมมุติรวยสมมุติจนสมมุติเท็จเนินจินดาเนี่ย เลื่ยุดเลื่อนซันกันอันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติแต่ก็เป็นปรมัตในตัวจึงว่าปรมัตแล้วก็สมสมุติสมมุติแล้วก็เป็นประจิวสมมุติบัญญัติปรมัตบัญญัติอัถะบัญญัติอริยบัญญัติสมมุติขึ้นมาเม็ดหินเม็ดตายต้นไม้ภูเขาหวยหน้องคองบึงเป็นสมมุติทั้งนั้นพระสงฆ์องค์เนรนี่ก็สมมุติแล้วบวชแล้วกรสึก สมมุติบวชแล้วก็ศึกอันพระจริงๆน่ะเราเคยรู้บ้างไหมไม่เคยรู้เพราะไม่เคยเห็นจิตเห็นใจตัวเองเนี่ยธนว่านกราบพระพุทธอย่าให้ไปถูกพองคำ้ำธนวนกราบพระธรรมอย่าให้ไปถูกใบลานหรือถูกตู้กำพรีนวกราบพระสงฆ์อย่าไปให้ทุกลูกคุกห ล, กลานหรือถูกลูกสาวบ้านธนว่าอย่างกราบที่ตรงไหน เราก็ต้องรู้จักอันเราพูดน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานั้นเราจะเข้าใจว่ามันขังศักดิ์สิทธิ์หรือมันไม่ขังมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นภาษาบาลีเราต้องรู้จักหน้โมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนกน้อมเรารู้จักเคารพนกน้อมตัวเองบ้างไหมน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต แต่ว่าโชคดีนิ้วแปลผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธศาสตร์ตัดสรุปเองโดยชอบท่านจึงสอนบอกว่าไม่ให้เชื่อถือในหนังสุขลามสูตรว่าสิบข้อที่เขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทำตามกันมาอย่าเชื่อถือว่าเห็นมันมีอยู่ในตำรากรมที พระองค์ท่านตรัสไว้ดีแล้วแต่เราก็ยังเสื้อถืออยู่อย่างนั้นทําบุญบ้านเราทุกวันทําบุญแล้วก็กินเหล้ากันเล่นการพนันกันนี่อันนั้นมันผิดศีลผิดธรรมศีลธรรมก็ผิดคําสอนของพร ะ, พ, พ, ระพุทธเจ้าก็ผิดท่านว่าทาําเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนั้น ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติทันว่าอย่างนั้นทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติแต่ทันว่าขอเบียดเบียนตนเองเนี่ยท่านรู้บ้างไหม ไม่เคยรู้ผมหรืออาตมาไม่เคยรู้แต่ก่อนคือเราดีใจเสียใจชอบเกลียดนี่แหละอันนี้แหละเบียดเบียนตนเองเมื่อมีในเราแล้วไปพูดกับคนอื่นเอาความทุกข์อันนี้แหละไปให้คนอื่นคนอื่นก็เป็นผลที่ได้รับทุกจากเราอันเนี้ยเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท่านสอนอย่างนั้นจึงว่าหากว่า สภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบพระอาหารหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ในท่านสอนอย่างนั้นคำว่าพระอาหารหันต์ไม่ว่างจากโลกนี้อยู่โดยชอบก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัวความตื่นตัวความรู้สึกใจความตื่นใจเรียกว่าอยู่โดยมีสติท่านว่าอย่างนั้น เขาว่ามีสติทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ต้องรู้ท่านเรียกว่ามีสติภาษาบ้านเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจให้รู้จักเรื่องสมมุติจริงๆเมื่อรู้จักสมมุติแล้วกับผีเทวดานรกสวรรค์บาปบุญอันนี้เป็นสมมุติพูดขึ้นมาแต่ว่าเป็นสมมุติบัญญัติแต่ก็ต้องเป็นปรมัตดไปในตัวมันเอง แนวอธธาถบัญญัติอริยบัญญัติให้เข้าใจรู้จักอันนี้ครบจบทั่วแล้วรู้จักศ า, าสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันใดก็นําเรื่องนั้นมาสอนคนเรื่องดูลึกงามยามดีเขาก็นําเอาเรื่องดูลึกดูยามมาสอนเราใครรู้เรื่องไหว้เทวดาก็นําเอาเรื่องไหว้เทวดามาสอนเรา ใครรู้เรื่องไหวผีก็ น, นำเอาเรื่องไหวยผีมาสอนเราศาสนาเป็นประคำสั่งสอนสอนให้ทุกคนละชัวทําำดีท่านว่าอย่างนั้นสอนให้ทาบุญรักษาศีลท่านสอนอย่างนั้นพุทธศาสนาแบบ น, นี้พุทธศาสนาแปลผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมนะเบิกบานด้วยธรรมท่นานบอก อยู่ด้วยธรรมจินด้วยธรรมก็อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยการรู้สึกตัวตื่นตัวเดี่ยวพุทธศาสนาบาปบันนี้บาปก็คือโง่นั่นเองคือไม่รู้นั่นเองบุญบันนี้บุญก็คือรู้คือเข้าใจนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตั้งแต่คนที่ยังไม่รู้ให้รู้สอนคนที่ทำผิดให้กลับคืนธรรม มาทาให้ถูกต้องและสอนคนที่มีทุกข์ให้เขาทำให้มันหมดทุกข์ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้ายังการประพฤฏิบัติธรรมมันจึงไม่เข้าใจดังนั้นที่ผมหรืออาตมามาแนะนำพบควรตักเตือนว่ากล่าวกันคราวนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่อง เพื่อกันลืมให้ทุกคนสํานึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าตัดบอกว่าตัดทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันตัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นได้เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราฟังพระท่านสวดท่านสอน อโยจักคุ ม, มานี่ฟังให้ดีที่เราไปสวดปริตตะมงคลในบ้านว่าโยจักคุ ม, มาโมโหหะมะลาปะกะโทเป็นภาษาบาลีแปลแล้วว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมณทินคือโมหะเสียแล้วท่านพระองค์ใดคือบุคคลใดคนหนึ่งนั่นแหละขะจัดโมหะคือคมหลงนั่นเองคือขมไม่รู้สึกตัวนั่นเอง เียแล้วเนี่ยท่านว่าอย่างนั้นแล้วกระบทอีกที่ต่อไปนกะว่าพุทธานุพุท ธ, ธังสามะสิลทิเทิงผู้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันถ้าหากเรารู้เข้าใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าก็มีศีลและมีทิฏฐิเหมือนกันอันศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยศีลสามร้อย จะรักษาแช่นคัดขนาดไหนก็กาจัดกิเลสโทสะโมหะโลภะไม่ได้อันนั้นรียว่าศีลสมมุติศีล ส, สังคมให้เราเข้าใจจิวศีลเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียดท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นจิวอันศีล น, นั่นคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่าง จิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกตินั่นะจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างคือเห็นรูปกายเราเคลื่อนเราไหวเห็นจิตใจเรานึกเราคิดอันนั้นเนียว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นจิตใจมันนึกมาคิด ประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะเราอย่าให้มันเกิดขึ้นมันเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นชีวิตไม่ใช่เป็นจิตเป็นใจของเราท่านเรียกว่ากิเลสท่านว่าอย่างนั้นแต่เราไม่เคยดูใจเราดูแต่คนนั้นสวยคนนั้นรวยคนนี้จนคนนั้นไม่ดีคนนี้ดีเราฟังแต่คนอื่นพูดเราไม่เคยดูใจเรา เราเคยได้ยินบ้างไหมในสมัยหนึ่งครูบาอาจารย์เราให้ฟังเสื่อว่าพระจุตสาโปตธิละท่านว่าอย่างนั้นเรียนแตกสารในพระไตรปิฎกได้ยินซื่อเสียงจิติศพัพท์พระจุตสาโปตธิละไปที่ไหนละคนโกวเพราะมีคมล้มากแต่สอนลูกสิ์ลูกหานั้นได้เป็นอรญยบุคคลมาก บัดนี้ต่อมาได้ยินกิติศัพท์ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระตุศาโตพธิละกอไปจะไปนสนทนากับพระพุทธเจ้าบัดนี้เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าอาพระพุทธเจ้ากดถามเลยว่ามาแล้วหรือกรรมพี่เป่าเนี่ยพระองค์ท่านตัดว่าอย่างนั้น วันนี้ก็เลยไม่ได้สนทนาธรรมะก็เลยพูดกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงเวลาที่จะกลับบ้านกลับสำนักตัวเองก็ได้กราบอีกกราบพระองค์ก่อนจะกลับแล้วหรือกัมเปล่าหรือไบลานเปาอย่าเนี่ยพูดอย่างนั้นก็เลยแง่ทําทไมสมณโคโดมว่ากัมเพ่เาวไบลานเปล่าให้เราเมื่อไปก็บอว่ากัมีเปพ่าวว่ากลับก็เพิ่มว่าไบรานเปล่า ก็เลยมาถึงสำนักตัวเองก็เลยมาถามลูกศิษย์ลูกหาอยากศึกษาเรื่องกรรมฐานเนี่ยถามองค์ใดองค์ใดก็ไม่สอนไม่สอนทั้งหมดเลยก็เลยไปถึงเนนน้อยเนนน้อยก็เลยบอกว่าจะสอนได้ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนั่นเองถ้าหากครูบาอาจารย์รถ ล, ละมาณาทิฏฐิจะเสื้อฟังคําพูดคําสอนของผมผมจะรับรองสอนให้ไนดะ้อา้าว ครูบาอาจารย์รับรองจะเสื้อฟังคําพูดคําสอนของเนนขอให้เนนสอนจะลดมาหน้าทิฐิทั้งหมดเนนโคสอนให้ก่อนที่จะสอนก็ให้ครูบาอาจารย์นุ่งจะสบองทรงจีวรครบอย่างสมบูรณ์นี่แหละแล้วก็เดินดูท่าทีอาจจะมีวัดอย่างที่วัดเหล่านี่แหละที่เปิดอบรมเนี่ยเดินลงไปมันมีหนองนาก็บอกอาจารย์ลงน้ํา เดินไปอาจารย์ดูไปน้ํานั้นพอดีไปถึงน้ําแล้วไปโจนผ้าขึ้นเน่งเขาบอกว่าไม่ต้องโจ้ลเพรางเสื้อฟังคํานี้ก็ไม่ต้องโจ้ลมันนี้ก็ลงไปลงไปผ้ามันก็ตีกไปถุงจุบหัวเข้าขึ้นมาแล้วภาษาเนี้ยผมพูดภาษาบ้านเราถึงจุบหัวเข้าแล้วกันบ่ยากหลงได้มันหนาวบางทีก็เลยพอแล้วเรือเน่งยังไม่พอเนี่ยเขาบลงไปลงไปแล้วก็ถึงแอวขึ้นมา พอแล้วด้วยเนยยังไม่พอลงตายลงไปจนผ้าเปียกทั้งหมดเลยท่วมพัดคอพุ่นละดูมันจะเป็นอย่างนั้นละก็เลยเนยนบอกขึ้นมาพอแล้วอาจารย์ขึ้นมาขึ้นมามันหนาวเนี่ยมันมาขึ้นมาแล้วกันจะสอนพรมนั้นหมดหรือหวังให้ไปผัดเสื้อผัดผ้ามาแล้วจึงสอนก็ไม่เข้าใจตอนนี้เพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้พูดจัดเจนให้ฟังได้ยินเป็นข่าวมาอย่างนี้ลนะ ก็เลยถ้าไปผัดเสื้อผัดผ้ามาแล้วก็ไปผัดเสื้อผัดผ้ามาแล้วก็าม า, มาเอาสอนเน้นเนี่ยคนที่มีคมรูเนี่ก็เลยมาสอนอาจารย์สมมุติเอานะครับให้รู้จักสมมุติจริงๆมีจุมพลจุมหนึ่งมีหกรูมีเฮียอยู่ในจุมพลในรูนั่นแ่ะหกรูน่ะมีตัวเดียว อาจารย์จะจับเฮี้ยจะเอาเฮี้ยตัวนั้นได้โดยวิธีใดอาจารย์เป็นผู้เลียนแตกสารพอได้ยินแล้วมันแตกสารเลยอันนี้แหละเพื่อนฟังธรรมะฟังให้เป็นให้เกิดปัญญาถ้าฟังมาแล้วไม่เกิดปัญญามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านก็เลยว่าเนรมันจะยากอะไรอุดบ้านผมเนี่ย ว, ว่าอัดอัดสหหูนั่นอัดแน่น นมันออกมาหากินข้างนอกเราก็มาอุดหรืออัดห้าหูนั้นไว้ยงไว้ดูเดียวมันออกมาข้างนอกแล้วก็จับคอหรือมานั่งคอยอยู่มันออกมากับคอตีปุกเสียหัวนนเลยทันทีหรือจะให้อย่างไงก็ได้แล้วมกะกลายท่อนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันครับการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกนั้นจากนับ เม็เห็นเม็ดรายแตกสารทั้งหมดถ้าแก้ปัญหาเรื่องชีวิตจิตใจไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับจึงว่าแก้ใจทีเดียวยุยใจเสียใจมันเป็นทุกข์ทันสอนอย่างนั้นจึงว่าให้รู้จักจริงๆมันสมมุติเรียกว่าปฐมมาสารทุติญาสาร ต, ตัติญาสารจรัตุทาสารปัญจามาสารมันเป็นสมมุติการเลื่อนสันทางจิตใจ แต่และากลเลื่อนยดเลื่อนสั้นให้กันอย่างพระสงฆ์องค์เนรเราทุกวันนี้หรือเป็นตำรวจทหารก็ตามเลื่อนสั้นสิบกี่สิบโทสิบเอกเนี่ยอันนั้นก็เป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาบันนี้เป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นพระ น, นั่นไปก็เป็นสมมุติขึ้นมาแต่ก็เป็นสมมุติบัญญัติก่อนเนื้อมันเอาปรมาจารยมาพูดจังหวะตามปกติเราทำนา เด็กินข้าวเปลือกไม่เป็นแต่กทิ้งข้าวเปลือกไม่ได้เพราะข้าวเปลือกมันเป็นเสื้อเอาข้าวเปลือกมาทําเป็นข้าวสารกินข้าวสารก็ไม่เป็นต้องกินข้าวสุกเนี่ยกินข้าวสุกไม่เป็นพิษเป็นภัยกินข้าวสารเป็นพิษกินข้าวเปลือกเป็นพิษอ้าวทิ้งข้าวเปลือกไม่มีข้าวสารทิ้งข้าวสารไม่มีข้าวสุก จำเป็นต้องกินข้าวเปลือกไม่เป็นกินข้าวสารไม่เป็นต้องกินข้าวสุกดังนั้นการศึกษาธรรมะหลักพระพุทธศาสนาศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตาถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้จึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจะทคตนี้แต่เราไม่ทำตามมีเราปาถนาอ้ อ, อนวอนขอร้องเอามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ให้ท่านเข้าใจว่าต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระพุทธเจ้านั้นจึงจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างพระพุทธเจ้านั้นท่านว่ายอย่างนั้นดังนั้นที่ผม หรืออาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนาสถานที่นี้อาตมาขออ้างอีกเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลหันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิใจของพวกเรา ให้พวกเราได้จเจริญลอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าให้เรามีสติกำหนดรู้ในอินทรียบุตรทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวในอินทรียบุตรย่อยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดว่าสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลแห่งนั้นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเต็มจะมีอย่างเราตถาคตนี้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบ พ, พบเห็นเอาอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้ามีแล้วในคนทุกคนจะเป็นผู้หญิง ผู้ชายเป็นผ้าสง์องค์เนนถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็มีเหมือนกันปฏิบัติได้เช่นเดียวกันศาสนาพุทธนั่นจึงเป็นกลางๆเป็นสาคลุลรู้แล้วจะสมวนดิคสิทธ์ก็ไม่ได้รู้แล้วจะทาําลายก็ไม่ได้ใครปฏิบัติถูกต้องก็รู้ก็เห็นได้เหมือนกันทุกคนขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอา